พระไตยปิฎกเล่มที่สิบห้าสักกะสังยุตสุวีระสูตรว่าด้วยสุวีระเทพบุตรสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มิพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วพวกอสูรได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสีมาเท พ, พบุตรให้ไปป้องกันพวกอสูรไว้สุสีมาเทพระบุ ร, รับระบัญชาแล้วก็เผลอลืมแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามก็เช่นกันครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับสุวีราเทพบุตรด้วยคถ า, าว่า บุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้น้าที่ไหนสุวีระท่านจงไปน้าที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุวีระเทพบระบุกราบถูนว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้ไกลๆให้ช่วยทากิจทั้งหลายเขาพรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่าง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 มันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพัร น, นาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งมรคผลที่ยังไม่ได้ทาให้แจ้ง นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุสิมะสูตรว่าด้วยสุสิมะเทพบุตรสำหรับพระสูตรนี้เนื้อหาข้อความตรงกันทุกอย่างกับพระสูตรแรกจึงขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับทัชกาสูตรว่าด้วยเรื่องยอดธง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่า ท่านผู้นีรุตุกทั้งหลายถ้าความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวจะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไป ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชเถิดความกลัวและความหวาสดสะดุ้งเป็นต้นนั้นที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชที่นั้นพวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราชเถิด ความกลัวและความหวาดะดุ้งเป็นต้นนั้นที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราชที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชเถิดความกลัวและความหวาดะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปภิกษุทั้งหลาย ครั้นเมื่อพวกเทพเหล่านั้นแหลดูยอดธงของเท้าสักกะจอมเทพก็ดีแหลดูยอดธงของเท้าประชาพดีเทวราชก็ดีแหลดูยอดธงของเท้าววรุณเทวราชก็ดีแหลดูยอดธงของเท้าอินสารเทวราชก็ดีความกลัวความหวาดสดุงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นพึงหายไปบ้างไม่หายไปบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าเท้าสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะเป็นผู้มีความกลัวมีความหวาดสะดุ้งหนีไปอยู่ภิกษุทั้งหลายส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าว พึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่าอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างที่นั้นพวกเธอพึงระลึกถึงเราเนืองๆเท่านั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันตตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารธีฝึกผู้กวนฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงเราเนืองเนืองอยู่ความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองเกล้าที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราเนืองเนืองที่นั้น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 หรือความขนพองสียองเกล้าที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆที่นั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอระหันต์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทำอันชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เนืองเนืองความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้น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 พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสวยากรณาพาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่า ก, ก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลาย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 เวปจิตติสูตรว่าด้วยเท้าเวปจิตติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งกับพวกอสูรว่า ท่านผู้นิรทุกทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกอสูรพึงชนะพวกเทพพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจาเท้าสักกะจอมเทพด้วยเครื่องจองจาทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมาอย่างเมืองอสูรในสำนักของเราฝ่ายเท้าสักกะจอมเทพ รับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงทั้งหลายว่าท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายถ้าเมื่อสองครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกเทพพึงชนะพวกอสูรพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำทา้าเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องปูคอแล้วพึงนามายังสุธรรมสภาในสานักของเรา สงครามครั้งนั้นพวกเทพชนะพวกอมสูรพ่ายแพ้ต่อมาเทพชั้นดวดึงได้จองจำาท้าเวปาจิติจอมอสูรและนนำมาในสำนักของเท้าสักกะจอมเทพได้ยินว่าเท้าเวปาจิติจอมอสูรถูกจองจำแล้วได้ด่าบริพาทเท้าสักกะจอมเทพซึ่งกำลังเสด็จเข้าและออกอย่างสภาชื่อสุธรรมมา ด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมาตลีเท พ, พบุตรผู้ทรงเคราะห์ได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่เท้าสักกะมะขวาลพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าของท้าเวปจิตติจอมอสูรยังทรงอดทนได้เพราะความกลัว หรือเพราะไม่มีกําลังพระเจ้าค่ะเท้าสักกะตรัสตอบว่าเราอดทนถ้อยคําอันหยาบคายของเท้าเวปจิตติได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกําลังก็หาไม่ด้วยว่าวินยูชนเช่นเราจะพึงโต้อตอบกับคนพาลทําไมมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่า พวกคนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นที่รชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงเท้าศักกรัสว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้น เป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวาสวะข้าพระองค์เห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าใจบุคคล น, นั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาซามก็ยิ่งข่มขีผู้อื่น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 อดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคล น, นั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่เองกำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกำลังของบุคคล น, นั้นว่าไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใด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 ก็เท้าสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่สวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรณาคุณของขันติและโสรัจ่าไว้ก็ข้อที่พุกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วเป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมได้นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้ สุภาษิตะชัยสูตรว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเกตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้น ทาเวปจิติจอมอสูนได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพเราจงมาชนะกันด้วยการกล่าวคำสุภาษิตเถิดท้าวสักกะจอมเทพตรัตกลงตามนั้นครั้งนั้นพวกเทพและพวกอสูรได้ร่วมกันตั้งผู้ตัดสินโดยมีกติกาว่าผู้ตัดสินเหล่านี้จะต้องรู้ทั่วถึงคาสุภาษิตและคาทุพภาษิต ลำดับนั้นท้าเวปาจิตติจอ ม, มาสูนได้กล่าวกับท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพท่านจงตรัสคาถาขึ้นก่อนท้าสักกะตรัสว่าท่านท้าเวปาจิตติท่านเป็นเทพในเทวโลกนี้มาก่อนฉะนั้นขอให้ท่านจงกล่าวคา Кор. ถาก่อนเมื่อท้าสักกะตรัสเช่นนี้แล้วท้าเวปาจิตติจอ ม, มาสูนได้กล่าวคาถานี้ว่า พวกคนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นทิรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงเท้าสักกะจอมเทพได้กล่าวคถ า, านี้ว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้น เป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้ท้าวเวปจิตติจอมมาสูญได้กล่าวคถานี้ต่อว่าท่านท้าววาสุวะข้าพเจ้าเห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลเข้าใจบุคคล น, นั้นว่าผู้นี้ยอมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขี่ผู้นั้น เหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขี่โคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถานี้ว่าบุคคลจะเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ที่ยิ่งกว่าคันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรง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 พวกเทพพากันอนุโมทนาพวกอาสูนต่างก็นิ่งเฉยครั้งนั้นผู้ตัดสินทั้งของพวกเทพและพวกอาสูนได้กล่าวดังนี้ว่าทาเวปจิตติจอมอาสูนตรัสคถาทั้งหลายแล้วแต่คถาเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาชญามีความเกี่ยวข้องกับสัตราเพราะเหตุนั้นจึงยังมีความทะเลาะ ความแก่งแย่งความวิวาทส่วนเท้าสักกะจอมเทพตรัสคาถาทั้งหลายแล้วคาถาเหล่านั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญาไม่เกี่ยวข้องกับสัตราเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความทะเลาะไม่มีความแก่งแย่งไม่มีความวิวาทเท้าสักกะจอมเทพชนะเพราะได้กล่าวคําสุภาษิต ชัยชนะด้วยการกล่าวคำสุภาษิตได้เป็นของเท้าสักกะจอมเทพด้วยประการชนี้กุลาวะกะสูรว่าด้วยรังนกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน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 เธอจงหลีกเลี่ยงรังนกในป่างิ้วโดยบ่ายหน้ารถกลับถึงเราจะต้องสละชีวิตให้พวกอสูนก็ตามทีขออย่าให้นกเหล่านี้พลัดพรากจากรังเลยภิกษุทั้งหลายมาตาลีสังฆาหกกะเท พ, พบุตรรับพระดำรัสของเท้าสักกะจอมเทพว่าขอความเจริญจงมีแด่พระองค์แล้วให้รถ ซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในหนึ่งพันตัวหันกลับครั้งนั้นพวกอาศูนคิดว่าบัดนี้รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในหนึ่งพันตัวของเท้าสักกะจอมเทพหันกลับมาแล้วพวกเทพคงจะทําสงครามกับพวกอาศูนเป็นครั้งที่สองอีกแน่พวกอาศูนต่างตกใจหนีกลับเข้าไปยังเมืองอาศูนยชัยชนะครั้งนี้ เป็นชัยชนะพราะธรรมะอย่างแท้จริงของเท้าสักกะจอมเทพด้วยประการชนนี้นาทุพะพิยสูตรว่าด้วยการไม่ประทุษร้ายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว เท้าสักกะจอมเทพทรงหลีกเร้นประทับ พ, พ, พักผ่อนอยู่ในที่พักเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราไม่ควรประทุษร้ายแม้แก่ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราครั้งนั้นเท้าเวปาจิติจอมอสูนได้ทราบความรำพึงของเท้าสักกะจอมเทพด้วยใจของตนแล้วเข้าไปหาเท้าสักกะจอมเทพจนถึงที่ประทับ ท้าสักกะจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นท้าเวปาจิตติจอมมาศูนมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้ตรัสกับท้าเวปาจิตติจอมมาศูนดังนี้ว่าหยุดเถิดท่านท้าเวปาจิตติท่านถูกจับแล้วท้าเวปาจิตติถามว่าท่านผู้นีรู้ทุกข์ท่านละทิ้งความคิดครั้งก่อนของท่านแล้วหรือเท้าสักกะตรัสว่า ท่านท้าเวปจิตติขอให้ท่านจงสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุษร้ายต่อเราท้าเวปจิตติกล่าวคาถาว่าท่านท้าสุชัมบดีบาปของคนพูดเท็จบาปของคนผู้ติเตียนพระอริยะบาปของคนผู้ประทุษร้ายต่อมิตรและบาปของคนอกตัญยูจะถูกต้องผู้ประทุษร้ายท่านเถิด เวโรจนะอสุรินทสูตรว่าด้วยท้าเวโรจนะจอมอสูรเรื่องเกิดนะักลุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักลังวันครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพกับท้าเวโรจนะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นท้าเวโรจนะจอมสูนได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์อันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นทอยคำของเวโรจนะท้าสักกะจอมเทพตรัสว่า บูรุควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสําเร็จประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสําเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีท้าเวโรจนะจะมาสูญกล่าวว่าสรรพสัตวมีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรรพสัตวมีการปรุงแต่งเป็นอย่างดี ประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของเวโรจนะเท้าสักกะจอมเทพรัสว่าสรพพสัตมีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรพพสัตมีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่น ที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีอารัญญกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในปา่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในกุฏิที่มุงด้วยใบไม้ในราวปา่าครั้งนั้น เท้าสักกะจอมเทพกับเท้าเวปาจิตติจอมอสูรเข้าไปหาฤาษีเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้งนั้นเท้าเวปปจิตติจอมอสูนส่งฉลองพระบาทนาหลายชั้นส่งพระขันมีผู้กั้นชัดให้เข้าไปสู่อาสมทางประตูพิเศษเข้าไปใกล้ฤาษีผู้มีศีลมีการลยานธรรมเหล่านั้นห่างไม่ถึงว่า ส่วนเท้าสักกะจอมเทพทรงถอดฉลองพระบาทประทานพระขันให้แก่ผู้อื่นรับสั่งให้ลดชัดเสด็จเข้าไปทางอาสมโดยทางประตูเข้าออกประคองอัญชลีนอบน้อมฤศีผู้มีศีลเหล่านั้นแล้วอยู่ใต้ลมครั้งนั้นฤศีเหล่านั้นได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่า กลิ่นของฤาษีผู้ประพฤติพรตมานานยอมฟุ้งจะกกายไปตามลมเท้าสหัสไนในที่นี้หมายถึงเท้าสักกะเท้าสหัสสนพระองค์จงถอยไปจากที่นี้เท้าเทวราชกลิ่นของพวกฤาษีไม่สะอาดเท้าสักกะตรัสตอบว่ากลิ่นของพวกฤาษีผู้ประพฤติพรตมานาน ยอมฟุ้งจากกายไปตามลมท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าต่างก็มุ่งหวังกลิ่นนี้เหมือนคนมุ่งหวังระเบียบ ด, ดอกไม้อันวิจิตบนศีรษะฉะนั้นพวกเทพหามีความสำคัญในกลิ่นของผู้มีศีลนิว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สมุทกะสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในกุฏิที่มุงด้วยใบไม้ไมใกล้ฝั่งสมุทร สมัยนั้นสงครามระหว่างพวกเทพกับอสศูน์ประชิดกันครั้งนั้นฤาษีเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทพดำรงอยู่ในธรรมพวกอสศูน์ไม่ดำรงอยู่ในธรรมภัยจากพวกอสศูน์จึงเกิดแก่พวกเราทางที่ดีพวกเราพึงเข้าไปหาจอมอสศูน์แล้วขออาภัยท่านเถิด ครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้หายตัวจากที่อยู่นั้นไปปรากฏอยู่ตรงหน้าจอมอสูรเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าฉะนนั้นครั้งนั้นฤาษีเหล่านั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าพวกฤาษีมาขออภัยการให้ภัยหรือให้อภัย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 จงเป็นของท่านเถิดบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วพ่อคุณท่านหวานพืชลงไปแล้วท่านจะต้องเสวยผลของมันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้สาบแช่งจอมอสูนแล้วหายตัวไปต่อหน้ากลับไปยังที่พักใกล้ฝั่งสมุทรของตนเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นจอมอสูนถูกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมสาบแช่งแล้วได้ยินว่าในคืนนั้นตกใจหวาดวันถึงสามครั้ง ทุติยวักหมวดที่สองปัทมะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมทานวัตบทเจประการอย่างบริบูรณ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 เราไม่พึงพูดคำสอเสียตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตรนีที่เป็นมนทินอยู่กรองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6.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 เพราะสมทานวัตบทเจ็ดประการจึงได้เป็นเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคผู้ศกดิสดาได้ตรัสวยยกรณภพาสิทินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึง น, นรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล เจรจาแต่คําอ่อนหวานสมานมิตรลักคําสอเสียดประกอบในอุบายกําจัดความตรนีมีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั้นแล้วว่าเป็นสัตว์บุรุษทุติยะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่สอง เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในการก่อนเป็นมานพชื่อมัคคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้ามัคควาลภิกษุทั้งหลาย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 ท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวาสวะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสหัสไน ภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นปชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชัมบดีภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้น จึงได้พระนามว่าเท้าเทวานามินทะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมท า, านวัตถบทตเจ็ประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมท า, านวัตถบทตเจประการจึงได้เป็นเท้าสักกะวัตถบท7เจ็ประการดังนี้คือเราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตเราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิตเราไม่พึงพูดคำส่อเสียตลอดชีวิตเราพึงมีใจปราศจากความตรณีที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอ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 ประกอบในอุบายกำจัดความตรนีมีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั่นแหล ว, ว่าเป็นสัตว์บุรุษตติยะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่สามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี ครั้งนั้นเจ้าลิจวีนามว่ามหาลีเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทและกราบทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเท้าสักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลีตถาคตเห็นเท้าสักกะจอมเทพเจ้ามหาลีได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผู้ที่พระองค์ทรงเห็นนั้นคงเป็นรูปจำลองของเท้าสักกะเป็นแน่เพราะว่าเท้าสักกะจอมเทพยากที่ไกลๆจะเห็นได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาลีตถาคตรู้จักเท้าสักกะด้วยรู้ธรรมะที่ทําให้เป็นเท้าสักกะด้วยทั้งยังรู้ถึงธรรมะที่เท้าสักกะสมาทานแล้วได้เป็นเท้าสักกะด้วย จากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงอดี ต, ตของท้าวสักกะเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ว่าได้ทรงทำอะไรมาจึงได้พระนามต่างๆข้อความเหมือนกับพระสูตรที่แล้วทุกประการนะครับจึงขอละไว้ในฐานที่เข้าใจทลิตท้สูตรว่าโดยผู้ขัดสน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชเครือณที่นั้นทรงมีรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงราชเครือนี้เองได้มีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนขัดสนเป็นคนกัมราเป็นคนยากไร้แต่เขายึดมั่นศรัทธาศีล ส, สุตตะ จากคะและปัญญาในธรรมวินัยที่เราประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเทพประบุตรองค์นั้นรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศได้ยินว่าในการครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพาันกล่าวโทษติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเทพบุตรองค์นี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพรา้าเป็นคนยากไร้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเท พ, พรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่า ท่านผู้นิระทุกท่านทั้งหลายอย่ากล่าวโทษต่อเทพบระบุนี้เลยเทพพระบุนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในการก่อนยึดมัน่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงยอมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีละยศ ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพเมื่อส่งยินดีกับพวกเทพชั้นดาวดึงจึงได้ตรัสคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวันว่นไหวมีศีลงามเป็นศีลที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญคือศีลที่ประกอบด้วยมรรคและผล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 ความเลื่อมใสหมายถึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การเห็นธรรมะหมายถึงเห็นสัจธรรมสีประการคืออริยสัจ ส, สีได้แก่ทุกข์สมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมรรคทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ พรรามเนยกะสูตรว่าด้วยสถานที่น่ารื่นรมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นทา้าวสกกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าสถานที่เช่นไรหนอเป็นสถานที่น่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระคาถาว่าอารามอันวิจิต ป่าอันวิจิตรสถาบุกรณีที่สร้างอย่างดียังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแห่งภูมิสถานอันรื่นรมของมนุษย์พระอระหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านหรือเป็นปา่าเป็นที่ลุ่มหรือเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรม ย่าชะมานาสูตรว่าด้วยการบูชาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาคิจกูรเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลด้วยคาถานี้ว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผล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 ท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้กล้าวกล้าผู้ชนะสงครามแล้วทรงปลงภาระแล้วผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกอันหนึ่งดวงพระทัยของพระองค์หลุดพ้นดีแล้วเหมือนดวงจันทร์ในวันเพนฉนั้น เท้าสหมบดีพรมตรัสขานว่าจอมเทพพระองค์ไม่ควรถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้เลยแต่ควรจะถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้กล้าวกล้าผู้ชนะสงครามผู้นาหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรโดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเถิดเพราะจักมีผู้รู้ธรรมปัมส ก, กนัมสนาสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณาที่นั้นพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพมีรับสั่งให้มาตลีสังคาหากาเท พ, พบุตรจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในหนึ่ง0ตัวเพื่อจะไปชมภูมิภาคอันงดงามของพื้นที่อุทยานเมื่อมาตลีสังคาหากาเท พ, พบุตรจัดเตรียมรถเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบ ครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราศาส์ทรงพระนมมือนอบน้อมทิดใหญ่ทั้งสี่ด้วยดีครั้งนั้นมาตลีสังฆาหากะเท พ, พบุตรได้กราบทูลเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพรามทั้งหลายผู้จบไตรเพกศกษัตริย์ทั้งหลายหน้าภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่ และถวยเทพผู้มียศชั้นไตรทศยอมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่เท้าสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้กวรบูชาคนใดท่านผู้กวรบูชาคนนั้นคือใครเล่าเท้าสักกะตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้จบไตรเพศกษัตริย์ทั้งหลายนภูมิภาคทั้งหมด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 และนักบวชเหล่านั้นมาตลีสังฆาหกกะเทพบุตรกราบถูลว่าข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าวาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกัน เทา้ามขวาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรั ด, ดังนี้แลว้วส่งนอบน้อมทิศ ท, ทั้งสี่สเสด็จขึ้นราชรถกลับไปทุติยาสักกะนามสนาสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับมาตาลีสังคหากาเท พ, พบุตรให้เตรียมรถเพื่อจะไปเที่ยวชมภูมิภาคอันงดงามของพื้นที่อุทยานเมื่อพระราชรถพร้อมแล้วครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันประสาสทรงประนมมือนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอยู่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 มาตลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดาผู้มีพระนามไม่ต่าต้อยมาตลีบุคคลเหล่าใดกําจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอระหรันต เรานอบน้อมบุคคลเหล่านั้นมาตลีบุคคลเหล่าได้กาจัดราคาโทษะก้าวล่วงอวิชชาได้แต่ยังเป็นพระเสขะอยู่ยินดีในธรรมะอันเป็นเครื่องปราศจากการสังสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมบุคคลเหล่านั้นมาตลีสังฆาหากาเทพบุตรกราบทูลว่า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 เสด็จขึ้นราชรถกลับไปตติยะสักกะนมสนาสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพ มีรับสั่งให้มาตลีสังข า, ากาเท พ, พบุตรเตรียมรถเพื่อจะไปชมภูมิภาคอันงดงามในพื้นที่อุทยานครั้นมาตลีสังข า, ากาเทพพบุตรจัดเตรียมเสร็จแล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราศาตสตร์ทรงประนมมือนอบน้อมภิกษุสงฆ์อยู่ครั้งนั้นมาตลีสังหากาเท พ, พบุตร ได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยขาท้าว่านรชนผู้นอนทับกายอันเปื่อยเน่าเหล่านี้นอบน้อมพระองค์เท่านั้นพวกเขาจมอยู่ในซากศพข้อนี้หมายถึงการอยู่ในท้องของมารดาสิบเดือนก่อนจะคลอดเป็นมนุษย์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความหิวและกระหายข้าแต่เท้าวาสวะ เพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงโปรดปรานท่านผู้ไม่มีเรือนเหล่านั้นขอพระองค์ตรัสบอกมัน ญ, ญาติของภาสีทั้งหลายข้าพระองค์ขอฟังพระดํารัสของพระองค์พระเจ้าค่าท้าวสักกะตรัสตอบว่ามาตลีเราโปรดปรานมัน ญ, ญาติของท่านผู้รู้ที่ไม่มีเรือนเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้น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 พระองค์ส่งนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันเท้ามาขวาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุข ค, ครั้นตร ด, ดังนี้แล้วส่งนอบน้อมภิกษุสง์เสด็จขึ้นราชรถกลับไปตติยาวักหมวดที่สาม คัตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกราบทูลด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข่าแต่พระโคดม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 เพราะบุคคลค่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกทุพพันนิยสูตรว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพรรณไม่งามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามต่ําเตีย้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของเท้าสักกะจอมเทพได้ยินว่าณที่นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษติเตียนยักษ์นั้นแต่ไม่ว่าจะติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งหน้าดูหน้าชม และน่าเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยประการนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะจอมเทพถึงที่ประทับได้กราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกยักษ์ตนนั้นคงเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่ทีเดียวพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปหายักผู้มีความโกรธเป็นอาหารนั้นจนถึงที่อยู่แล้วประนมมือไปทางที่ยักตนนั้นอยู่ประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านผู้นิรทุกข์เราคือเท้าสักกะจอมเทพภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามด้วยประการใดยักตนนั้น กลับมีผิวพันธุ์ไม่งามและต่ำเตียยิ่งกว่าเดิมอยากตนนั้นเป็นผู้มีผิวพันธุ์ไม่งามเมื่อเป็นเช่นนั้นอยากตนนั้นจึงได้หายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพประทับนั่งบนที่ประทับของพระองค์แล้วจึงตรัสกับพวกเทพชั้นดาวดึงด้วยคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า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 สัมภริมายาสูตรว่าด้วยมายาของจอมอสูนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าเวปจิตติจอมอสูนเจ็บไข้ได้รับทุกข์เจ็บไข้หนักครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพ สเสด็จไปเยี่ยมท้าเวปจิตติจอมมสูรถึงที่อยู่ตรัสถามถึงความเจ็บไข้ท้าเวปจิตติจอมมสูรเห็นท้าสักกะจอมเทพกําลังสเสด็จมาแต่ไกลเที่ยวได้กล่าวกับท้าสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพขอจงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดท้าสักกะตรัสว่าท่านท้าเวปจิตติ ขอเชิญบอกมายาของจอมอสูนให้ข้าพเจ้าทราบก่อนท้าเวปาจิตติกล่าวว่าท่านผู้นิรุตุข้าพเจ้ายังบอกท่านไม่ได้จนกว่าจะได้สอบถามพวกอศูนดูก่อนลำดับนั้นท้าเวปาจิตติจอมอสูนสอบถามพวกอสูนว่าท่านผู้นิรุต์ทั้งหลายเราจะบอกมายาของจอมอสูน ให้เท้าสักกะจอมเทพทราบ พ, พวกอสูรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุข์พระองค์อย่าตรัสบอกมายาของจอมอสูรแก่เท้าสักกะจอมเทพเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าเวปาจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าท่านเท้ามาขวาสุชมบดีเทวราช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 คนภานสองจำพวกนี้คือผู้ไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษและผู้ไม่ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษภิกษุทั้งหลายบัณฑิตสองจำพวกนี้คือผู้เห็นว่าโทษเป็นโทษและผู้ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วท้าสักกะจอมเทพเมื่อจะส่งยังเทพชั้นดาวดึงให้พลอยยินดีณเทวสภาชื่อสุธรรมมาจึงได้ตรัสคถานี้ในเวลานั้นว่าขอความโกรธจงตกอยู่ในอำนาจของท่านทั้งหลายขอความเสื่อมคลายในมิตรธรรมอย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ตีเตียนผู้ที่ไม่ควรติเตียน และอย่าได้พูดคำส่อเสียดเลยความโกรธเป็นดุดภูเขาย่ำยีคนเลวชนนี้แหละอกโกทสูตรว่าด้วยความไม่โกรธเรื่องเกิดขึ้นที่กลุ่มสาวทถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงทําให้เทพชั้นดาวดึงยินดีจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าความโกรธอย่าได้ครอบงมท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อ ความโกรธเป็นดุดภูเขาย่ำยีคนเลวฉะนี้แหละพระไตรปิฎกเล่มที่ 15, สิบห้าสุตตันตปิฎกที่เจ็ดสังยุตตนิยสขาทวักจบบริบูรณ